กสัจจะบารมีที่ช่วยสงเคราะห์สัตว์อื่นให้ได้รับประโยชน์ทั้งโลกนี้และโลกต่อๆไปสร้างอุปนิสัยให้เขาเหล่านั้นได้บรรลุมรรคผลนี่ก็มาขึ้นวัตตกะโปตกะจริยาเนี่ยนะนี้ก็ใครเคยฟังสวดเนี่ยอธิโลเกศิละคุณโนสัจจังโซเจยนุทยาเนี่ยนะก็คาถาเนี่ยที่เรียกว่าพระนิยมเอามาสวด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 เรานี้เป็นอยู่ด้วยภรรษะของมารดากําลังกายของเราก็ยังไม่มีแสดงว่าตัวนี้อ่อนปวกเปรียกเนี่ยนะแล้วก็ถ้าเป็นหน้าหน้าเนี้กลถ้าแถวฤดูร้อนเนี่ยกลางวันร้อนก็จริงแต่กลางคืนเนี่ยหนาวเน็บกลางคืนเนี่ยหนาวเน็บแล้วแคว้นมาโคดเนี่ยไม่ต้องห่วงแถวนั้นนะหนาวเแหล ะ, หละทีนี้ก็อาศัยอะไรอยู่ด้วยภรรษะแห่งมารดามารดาก็นะสยายปีกใช่ไหมสยายปีกแล้วก็ปกลูกเอาไว้มัน ชีวิตโดยธรรมดาก็อยู่ด้วยเรียกว่าความอบอุ่นแห่งมารดาคิดดูนะพระโพธิสัตว์ยังเกิดเป็นนกเลยนะเป็นนกคุ้มตัวเล็กๆเกนี่ยนะเกิดเป็นนกแล้วเราเป็นไข่ในเรืองถ้าทำบุญไม่ดีนี่ระวังให้ดีเนะเป็นนกคุ้มออบางพวกเขาชอบดักนกคุ้มนะหน้าถ้าเป็นหน้าถ้าแถว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 ประชาชนชอบมากนี่ก็เหมือนกันพูดถึงว่าใครจะรู้ว่า น, น, นกในนั้นมีนกพระโพธิสัตว์อยู่ด้วยนะแต่ว่าอย่างว่านี่ขนาดบำเพ็ญบารมีมาตั้งเสียสงขเก้ามืเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเ้ากลับเกือบเต็มอยู่แล้วขาดอีกนิดเดียวไม่กี่ล้านปีเนี่ยนะยัเกิดเป็นนกได้ผู้ที่ไม่เห็นสัจธรรมเนี่ยนะผู้ที่ยังไม่เห็นอริยสัตว์นี่ถือว่า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 โดยมากสายหัวบอกไม่เอาแต่เทียไวการปฏิบัติโดยมากทำอย่างนั้นไม่เอาโดยอะไรนะโดยวจีกรรมแต่โดยพฤติกรรมนี่ไม่ใช่เลยไงนะก็ดูเอากันแล้วว่าสมเหตุสมผลไมน่ยนะนะย้อนกลับมาอีกนะว่าลูกนกลูกนกในฤดูร้อนทุกๆปีมีไฟป่าไหมลูกลามมาไฟไหมป่าเป็นทางดำเนี่ยลูกลามมาใกล้เราไฟไหมป่าลุกลมใหญ่หลวง เสียงสนั่นอึ้งคือนกประเภทนี้เนี่ยนะมันอยู่ในป่าพวกพวกป่าต้นต้นญ้านะไม่ใช่ป่าใหญ่แบบแบบป่าแบบทั่วทัวไปจะเป็นป่าพงหญ้าที่มันเป็นเชื้อเพลิงชั้นดีที่อินเดียนี่เห็นชัดมากเลยช่วงช่วงที่ไปข้างหลังเนี่ยพงหญ้าคล้ายๆกับป่าไม้อ้อนะแบบคล้ายๆป่าไม้อ้อสูงท่วหมหัวเนี่ยเยิมอาณาบริเวณเป็น10บๆไร่อย่างเงี้ยนะหลังถ้ามันแห้งแห้งๆหน่อยเนี่ย ไฟเข้าเนี่ยโอ้ไม่สนั่นเลยแหละไม่ดีนักแล้วไฟไหม้ป่าเนี่ยนะเสียงก็ดังสนั่นเอื้องไฟไหม้ลูกลามมาโดยลำดับไฟนั้นก็ใกล้เข้ามาจวนจะถึงเรามารดาบิดาของเราสะดุ้งหวาดหวั่นใจเพราะกลัวไฟที่ไหม้มาโดยเร็วจึงทิ้งเราเอาไว้ในรังแล้วก็หนีเอาตัวรอดไปเพราะว่าอย่างว่านะชีวิตของสัตว์ทั้งหลายรักตัวเป็นที่สุดเนี่ยนะเพราะฉะนั้นก็ รักตัวเป็นที่สุดเหมนั้นะนะจะรักลูกขนาดไหนก็หนีเอาตัวรอดไปก่อนก็ไม่มีใครรักลูกถึงขนาดว่าถ้าลูกตายแล้วก็ขอตายพร้อมกับลูกขนาดนั้นนะนะมีไม่กี่คนนอะมีแต่นนิยายซะส่วนใหญ่เนี่ยนะนะในโลกของความเป็นจริงแท้หายากนี่ก็เหมือนกันพ่อแม่ถึงจะรักลูกขนาดไหนในที่สุดก็น่นะนะนะก็จากไปอ่ะนะเรานั้นเหยียดเท้ากลางปีกออกลองเหยียดเท้าดูสิกลางปีกที่ไม่มีขน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 ปกตินะถ้าเกิดความกลัวขึ้นมาก็สุก อ, อกแม่อนยะ่างั้นเถอะบัดนี้มารดาบิดาทิ้งเราหนีไปแล้ววันนี้เราจะทำอย่างไรถ้าเป็นเราเราจะทำยังไงไปไหนก็ไม่ได้ตายแ น, น่ไฟมาครอะตายเผาตายแน่แต่ผู้ที่สั่งสมบุญมาก็คือผู้มีบุญ น, นะเนื่องจากว่าท่านสั่งสมบุญมานานท่านก็เลยระลึกถึงศีลและคุณระลึกถึงความสัตว์คือสัจจะ ระลึกถึงพระสัพพัญญูพุทธเจ้าผู้ประกอบด้วยความสัตด์ความอินดูกรุณามีอยู่ในโลกด้วยความสัตด์นั้นเราจะ ก, กระทำศักด์จากกิริยาอันสูงสุดท่านคิดถึงพระพุทธเจ้าได้นะท่านเป็นนกเนี่ยนะท่านคิดถึงพระพุทธเจ้าได้แสดงว่าท่านสังสมอัธยาศัยมามากต้องเสพอัธยาศัยในพุทธคุณธรรมคุณสังคคุณศีลและคุณสักด์จะเป็นต้นเนี่ยมาเป็นอย่างดี ถ้าสะสมมาไม่ดีนี่ถ้าเป็นนกทํำยังไงก็เสือกกระสนหนีไฟซึ่งได้ไม่กี่คืบใช่ไหมแต่นี้ท่านระลึกถึงสีละคุณนึกถึงสัจจะระลึกถึงพระสัพพัญญูพุทธเจ้าเพราะเวลาที่เราสรรเสริญคุณพระตัตนะตรัยนี้อย่าได้เบื่อหน่ายจะได้สั่งสมมีปัญหาอะไรจะได้ระลึกระลึกได้มีองคคนหนึ่งเขาเราว่าเขาไม่สบายมากล้มแผลลงไปหัวเกือบหัวนอกพื้นน่ะแต่ว่ามันนอกไม่แรง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 สองปะฏายวิดกคืนส่งคําสอนคืนละลองไม่เอาแล้วตอนนี้ไม่ไหวแล้วป่วยแล้วเลิกศึกษาแล้วหนังสือก็อา่านไม่ได้ธรรมะก็ไม่ฟังแล้วนะขออยู่ตามเดิมดีกว่าอยู่แบบคนอาภาพต่อไปพราัน้าไม่ตั้งอัธยาศัยปลูกฟังอุปนิสัยเอาไว้ให้ดีอยาคิดนะว่าเราจะเอาคําสอนพันธุ์ต้องหมั่นสมาทานให้ดีเลยว่าชีวิตของเราจะเดือดร้อนจะลําบากกายลําบากใจจะด้วยเหตุผลใดก็ช่างเถอะ เราจะไม่ทิ้งพระรัตนตรยัยเนี่ยนะให้ใจของเราเป็นไปกับพระรัตนตรัยอยู่เสมอตั้งตั้งไว้อย่างนั้นจริงๆนะถ้าไม่ตั้งไว้นี่เทอาร้อยละ99ด้วยหรืออาจจะร้อยละร้อยหนึ่งด้วยซ้ำไปว่าไม่เอานะเรียกว่าไม่เอาเกินร้อยละเชื่อขอให้ถ้าตั้งไวจง้จริงๆเถอะถ้ามีอะไรขอนึกถึงพระรัตนตรัยอะไรไว้ก่อนถ้าถ้ามีเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นมาลองแยั บ, ย, บยับดูนะถ้ามีเรื่องไม่สบายใจเนี่ยเราคิดถึงพระพุทธเจ้าก่อนไหม ถ้าไม่คิดถึงพระพุทธเจ้าก่อนเลยก็แสดงว่าน่าสงสาร น, านั่นนะว่างั้นะเจริญกรุณาให้ตัวเองไว้เยอะๆเถอว่าตัวเองเดือดร้อนต่อไปข้างหน้าแน่บรรท่าอย่างใดก็ตามเถอบุญกุศลคุณงามความดีเราต้องตั้งเอาไว้เลย น, นะศีลที่เราเจริญคําสัตว์ที่เรากล่าวพระสัพพัญญูพุทธเจ้าผู้เป็นาศาสดาของเราเนี่ยนะ ชีวิตของเราถ้าจะมีปัญหาอะไรก็ขอเ ล, ลือดถึงสิ่งเหล่านี้เอาไว้เสมอเนี่ยนะอย่างไรก็ขอให้ใจของเราเป็นไปกับพระรัตนตรยัยเป็นไปกับศีลเป็นไปกับความสัตด์เป็นไปกับมหากรุณาของพระพุทธเจ้าถ้าถ้านเลึกไว้อย่างนี้เมื่อมีภยัยมีอุปสรรคมีปัญหามีเหตุการณ์ใดๆใจของเราก็จะถือเอาพระรัตนตร a ยนี้เป็นเป็นหลักในที่สุดเราคํานึงถึงกําลังพระธรรม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 เวแม่ไฟจงกลับไปพร้อมกับเมื่อเราทำสัจจะกิริยาไฟที่ลุกรุ่งโรจน์ใหญ่เป็นไฟที่ใหญ่หลวงเว้นสิบหกกริดไฟดับณที่นั้นเหมือนจุ่มลงในน้ำผู้เสมอด้วยความสัตย์ของเราไม่มีนี้เป็นสัจจะบารมีของเราเนี่ย สันติตาธาอาวันจนาเนี่ยนะสันติปัคขาอปัตนาสันติตาธาอาวันจนามาตาปิตาจนิขันตาชาตะเวทะปฏิกกรมาสหาสัจเจกเตไมัยหังมหาปัจจริโตสิกีวัดเชสิโลสลสักรีสานิเป็นต้นเนี่ยนะาก็มีสมัยก่อนให้สวดให้งานต่างๆสรุปว่าย้อนกลับมาเนี่ยนะพระโพธิสัตว์ผู้เกิดเป็นนกคมว่าเมื่อก่อน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 พระโพธิสัตว์มิได้หลงลืมสิ่งที่ควรทําไม่หลงลืมเลยนะไม่เพล่เลยอันนี้เรียกว่ามีสติยืนคิดอย่างนี้ว่าในโลกนี้คุณของศีลยังมีอยู่คุณของศีลนะคุณของเจตนาศีลคุณของเจตสิกศีลสังวรศีลอวีติกรมศีลคุณของจาริตศีลวาฤศศีลคุณของจตุปาริสุธิศีลเป็นต้นเนี่ยนะยังมีอยู่ และหนึ่งนะแรกคุณของสัจจะก็ยังมีอยู่คุณของคําพูดที่จริงก็ยังมีอยู่นะความจริงนี้เป็นสิ่งที่ไม่ตายความจริงอันนี้ยังมีอยู่ธรรมดาพระสัพพัญญูพุทธเจ้าทั้งหลายในอดีตบําเพ็ญบารมีนั่งณนะัพื้นโพธิมณฑลตรัสรู้แล้วพระพุทธเจ้าเมื่อตรัสรู้แล้วพระองค์ก็เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยศีลสมาธิปัญญาวิมุตติวิมุตติญาณทัศนะ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 ให้ไฟนี่กลับไปแล้วทำความสวัสดีแก่ตนและแก่สัตว์ที่เหลือซึ่งอยู่ณบริเวณนี้ในวันนี้ก็ไม่เผลอเลยนะไม่ลงลืมพุทธคุณธรรมคุณสังฆ ค, คุณไม่หลงลืมเศษไม่ลงลืมคุณงามความดีที่ตัวเองเจริญมาเลยแม้กระทั่งไฟป่าอะไรเข้ามาของเรานี่ให้ศึกษาพุทธคุณให้มันมั่นคงเลยนะพระพุทธคุณธรรมคุณสังฆ ค, คุณเนี่ย เวลามีอะไรก็นึกถึงคุณพระรัตนตรัยนี่อย่างกลุ่มที่หนึ่งกลุ่มที่สองละลึกถึงความดีทั้งมวลที่ได้ทํามาละลึกถึงบุญกุศลคุณงามความดีมงคลเป็นต้นที่เจริญมาถ้าละลึกอะไรไม่ได้เลยก็ได้อะไรก็ได้แต่ความเศร้าหมองถามว่าถ้าเสียใจแล้วแก้ปัญหาได้ไหมไม่ได้นี่นะตายตอตายนี่ตายแน่ใช่ไหมตกนรกอีกตัางหากมีสิประโยชน์โลกนี้ก็อดประโยชน์โลกนะ้าก็เสียหายเนี่ยนะเบียดเบียนปัทุสไรจิตใจตัวเองก่อน ดังที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าคุณของศีลคุณแห่งสัจจะพระสัพพัญญูพุทธเจ้าผู้ประกอบด้วยสัจจะพระองค์มีความเอ็นดูกรุณามีอยู่ในโลกด้วยความสัตนั้นเราจะกระทำสัจจากิริยาอันสูงสุดเราคํานึงถึงกำลังของพระธรรมระลึกถึงพระพุทธเจ้าผู้พิชิตมารอันมีอยู่ในการกรได้กระทาสัจจิกสัจจะกิริยาแสดงกาลังความสัต อธิบายว่าพระโพธิสัตว์ระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าทั้งหลายซึ่งปรินิพานแล้วในอดีตปรารพสภาพธรรมของสัจจะอันมีอยู่ในตนได้ทำสัจจกิริยาแบ่งเป็นสองเรื่องนะที่ที่สาเหตุที่ ท, ท, ท, ท, ท, ทำให้ท่านตั้งสัจจกิริยาคือคุณความดีของพระตนะตรายนี้อย่างหนึ่งอย่างที่สองก็คือคุณความดีแห่งตน น, นะสัจจะที่มีอยู่ในตน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 คือต้องเจริญคุณธรรมให้มีอยู่ในจนก่อนนะตั้งสัจจะวาจาจึงจะสําเร็จเพราะคนที่ไม่มีธรรมะอะไรอยู่ในใจเลยตั้งสัจจะวาจานะเหมือนกับคนเที่ยวสาบานทั่วไปหมดเนีว่าถ้ามันจริงขอให้มันอย่างนั้นอย่างนี้พวกนี้นี่ก็ไม่ค่อยสําเร็จประโยชน์อะไรเขบอกว่าพร้อมด้วยสัจจะกิริยาของพระโพธิสัตว์นั้นไฟก็ได้หลีกไปในที่ประมาณสิบหกกรีดและเมื่อไฟหลีกไปก็ไม่ได้ไหม้กลับเข้าไปป่าณที่นั้น ดับอยู่ณที่นั้นดุดคบเพลิงที่จุ่มลงไปในน้ำํำฉะนั้นที่พระองค์ตรัสว่าพร้อมกับเมื่อเราทําสัจจกิริยาไฟที่ลุกรุ่งโรจน์ใหญ่หลวงเว้นไว้16บกเกรดไฟนั้นดับณที่นั้นเหมือนจุ่มลงในน้ําก็สัจจกิริยาของพระโพธิสัตว์นั้นเป็นเบื้องต้นของการทํางานของการระลึกถึงพระพุทธคุณในสมัยนั้นไม่ทั่วไปแก่ผู้อื่นเบื้องต้นก่อนจะตั้งตั้งสัจจะเนี่ยนะ ใครเนอนกตัวไหนเนอจะคิดได้อย่างนี้อย่าว่านกเลยคนเรียนธรรมะมาเป็นปีๆก็ยังเลิกไม่ได้อย่างนี้นะย า, ยากเลยนะถ้ามีปัญหาอันหนึ่งก็โ ง, ง, ง, ง, ง, ง, ง่โง่ง่โงวยวไปหมดก่อนแล้วก็มาระลึกถึงทีหลังเหมือนกันนะนั้นก็อันนี้ก็ถือว่าเป็นคุณธรรมที่สั่งสมมานานต้องอบรมมานานต้องหมั่นสั่งสมหมานานั่นอบรมให้ระลึกถึงพุทธคุณในในทุกสมัยเนี่ย น, น, นะถ้าเราดีใจเราจเจริญพุทธานุสติได้ไหมเราลองมาถามตัวเองดูนะ ถ้าตอนที่เราดีใจเราเจริญพุทธคุณได้ไหมถ้าเราเสียใจเราเจริญพุทธคุณได้ไหมถ้าเราเฉยๆเราเจริญพุทธคุณได้ไหมถ้าไปอยู่ณตรงนั้นตรงนี้เป็นต้นเนี่ยที่เราต้องไปอยู่แล้วเนี่ยเราเจริญพุทธคุณได้ไหมตั้งคําถามว่าที่ไหนบ้างที่เราเจริญพุทธคุณไม่ได้ลองถามดูที่ว่าเราเจริญไม่ได้ทําไมเราเจริญไม่ได้หรือไอ้ที่ผ่านมาเราไปอยู่ที่ไหนทําไมไม่ค่อยเจริญเลยมันเพราะอะไรเป็นต้นแล้วต่อไปจะเจริญได้ไหม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 เพราะไม่ถูกไฟไหม้ในกลับทั้งสิ้นบอกว่าสถานที่ตรงนั้นเนี่ยไฟไม่ไหม้ตลอดกลับพระโพธิสัตว์เนี่ยด้วยอำนาจของสัตว์จากกิริยาท่านก็ทำความปลอดภัยให้แก่ตนและแก่สัตว์ทั้งหลายผู้อยู่ในบริเวณนั้นทำให้สัตว์บริเวณนั้นเนี่ยพ้นจากทุก์เมื่อสิ้นอายุไขก็ไปตามกรรม <c oughs> สรุปมารดาในครั้งนั้นก็เป็นพระมารดาในครั้งนี้ ส่วนพยานนกคุ้มก็คือพระโล ก, ก น, นาถพูดถึงคุณธรรมของพระโพ ธ, ธ, ธิสัตว์เพิ่มเติมอีกเล็กน้อยว่าเมื่อไฟป่าลุกลามมาอย่างน่ากลัวอย่างนั้นพระโพ ธ, ธิสัตว์แม้อยู่ผู้เดียวในวัยวนั้นก็ยังกลัวจึงระลึกถึงพระธรรมคุณมีสัจจะเป็นต้นและระลึกถึงพระพุทธคุณ นะอยากจะเน้นอยากจะย้ำอิติปิโสเนี่ยทั้งบาลีทั้งไทยทั้งปแปลทั้งโดยอัฏฐะโดยพยัญชนะเนี่ยนะพยายามศึกษาให้มันเข้าใจให้ดีๆลึกซึ้งแล้วก็อันนี้จะช่วยแก้ปัญหาเราได้ในทุกที่ทุกผนทุกแห่งแม้กระทั่งหลายคนก็บอกโอยเสียเวลาปฏิบัติโมแตเจริญพุทธคุณโมแตสาทยาอิติปิโส บอกถ้าเขาบรรลุก็กบรรลุเห็นคุณพระรัตนตรายนี้แหละไม่ต้องไปกลัวว่าจะเสียเวลาเสียการปฏิบัติเสียโน่นเสียนี่ไม่ต้องกลัวเพราะว่าการพระพุทธปฏิบัติก็ปฏิบัติให้เห็นคุณของพระรัตนตรัยนั่นแหละให้เห็นอรหันตคุณเป็นต้นของพระพุทธเจ้าให้เห็นความแสดงธรรมที่พระพุทธเจ้าเป็นธรรมดีที่พระองค์แสดงนั่นแหละให้เห็นความปฏิบัติดีแห่งพระสงฆ์ทั้งหลายฉะนั้นก็ไม่ไม่เกินอิตธิปิโสหรอกมันก็สั่งสมความรู้ความเข้าใจใน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 พอมีใจอยู่กับพระพุทธเจ้ากี่ชั่วโมงดีชีวิตที่เหลือนี่สามชั่วโมงน้อยไปมากเนาะวันละห้าชั่วโมงก็คิดเอากันแล้วกันว่าควรจะกี่ชั่วโมงดีงนะถ้าทําได้น้อยก็ก็จะไปต้องร้องเรียกแคลอะไรจากใครทั้งนั้นเลยไม่ต้องไปอ้อนวอนขอร้องใครทั้งนั้นก็ตามสมควรกับเหตุก็ใจเรายังเจริญพุทธคุณไม่ได้ก็ไม่ต้องอะไรแล้วนะก็สงสารตัวเองได้แต่อย่างเดียวถ้าสงสารตัวเองจริงๆมันจเจริญได้นะ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 พระพุทธคุณเท่านั้นแหละห ล, ลายเรื่องเนี่ยนะอย่างเรื่องเรื่องราวในโลกนี้มันยิ่งใหญ่มันดูสําคัญเหลือเกินจนเราเจริญพุทธคุณไม่ได้เชื่อเหรอพอมันผ่านไปนะมันได้ใหญ่จริงอะไรหรอกอย่างเด็กเล่นนะทุกเรื่องเลยนะแล้วลึกถึงแล้วก็อย่างนั้นอย่างนั้นแหละไม่เหมือนบุญกุศลนะเรื่องราวที่เป็นไปกับอกุศลเนะี่ยมันจะดูยิ่งใหญ่ใหญ่โตอะไรขนาดไหนก็เหมือนฝันตืร์นขึ้นมาแล้วก็หายไปชีวิตที่ผ่านมาก็อย่างนั้นนะ พันถ้าหากว่าสิ่งนั้นไม่เป็นบุญกุศลเนี่ยรา ล, ลึกแล้วใจก็น้อยเลยนะพันหลายๆเรื่องเราพยายามว่าสิ่งที่สําคัญสิ่งนั้นสําคัญต่อชีวิตเราจริงหรือสิ่งนั้นจะเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่เราจริงหรือพันพระองค์เนี่ยสัเสริมในเรื่องวิจารณญาณการใคร่ครวญเพราะว่าชีวิตของเราก็ไม่ได้หยุดอยู่แค่จุดนี้ใช่ไหมหยุดได้ไหมอ่ะหยุดขอให้หนุ่มสาวอย่างนี้ตลอดไปหยุดไม่ได้เนี่ยนะนี่นมที่สุดสาวที่สุดแล้ว พรุ่งนี้แกกว่านี้อีกค่าตัวรถลงไปเยอะเนี่ยนะ